พระธรรมเทศนาแผ่นที่56ลำดับที่5โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่3สิงหาคม2556มีชื่อเรื่องว่าผู้มีพระคุณต่อประเทศชาติ ลูกลางอยู่ทางล่างเงียบนะอย่าไปใช้เสียงว่าให้ใช้เสียงแต่ช น, นีสมชายตัวเดียวก็พอแล้วแต่วันนี้ไม่ใช้เสียงในชะ น, นีสมชายแต่มันก็เตือนนะเมื่อวานเขาบอกว่าพายุจะเข้ามาจะเข้ามาตั้งแต่วันที่สองมันก็เข้ามาจริงๆรเราเคยเตะโอคงจะเข้ามายาวนาน แล้วเขามาหน่อยเดียวมันไม่ใช่พายุนะเนี่ยมันเป็นฝนโดยบังเอิญท่านเองแล้วก็ไปอุดรเมื่อวานฝนก็ไม่ตกตลอดทางร้อนอีกต่างหากแดดเปี้ยงเลยเมื่อวานไม่มีพายุแล้ววันนี้วัชรินีสมชายมันร้องมืงเช้านคงจะเตือนอีก ฝนคงจะตกแล้วเนะ่เตรียมตัวเนะ่อเคงจะว่ากันนะ่ะชมชายมันร้องมุงเช้านะวันนี้เป็นวันที่สามสิงหาคมพุทธศักราช2556หแต่เมื่อวานเขาสาเหตุที่ไปเรื่องใหญ่ก็คือไปวัดโพธิสมพรทาง สำนักพทธและทางจังหวัดร่วมกันจัดพิธีรับพระราชทานรับในหลวงพระราชทานเงินมาช่วยโรงพยาบาลตึก ICU CICU จับนี่ก็แปลกๆเหมือนกันนะ CICU ประมาณ ฟังฟังดูมเมื่อวานในคณะไอ้สำนักพุทธที่ถแถลงให้ฟังก็บอกมีอยู่9ห้องแต่เป็นห้องใหญ่นะใช้เงินประมาณ50กว่าล้านทางหลวงปู่ก็บอกอเราแก่แล้วเราน่าจะสร้างตึกเป็นที่ระลึกลักษณะอย่างนั้นละลูกหลานคณะสัทธายาดโยมพระเนนก็เลยรวมกันหาทุนเพื่ อ, อตกแต่งตึกหลังหนึ่ง ที่เป็นตึกเก่าอีกทั้งชั้นเพื่อจะเป็นห้อง ICU สําสำหรับให้ทันสมัยให้ทันสมัยเทียมเท่ากับห้อง ICU กรุงเทพเลยละ่ะห้องนี้ให้เข้ามีระบบคอมพิวเตอร์มีระบบอะไรตัวมิอะไรอยู่ในนั้นแต่ต้องใช้เงินมากประมาณ50ขนาดไม่ได้สร้างตึกนะขนาดตกแต่งเฉยๆห้ากว่าล้าน แต่ใ้พอทําไปแล้วก็หาเงินได้ประมาณได้เงิน30กว่าล้านนะที่พูดเมื่อวานนะ่ยโคศกพูดให้ฟังได้เงิน33สล้านกว่านะก็ยังขาดจ่ก็เลยได้เรื่องเลยข่าวก็เลยไปถึงพระเนตรประกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านก็เลยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงเลยพระราชทธธานเงินก้อนนี้ผ่านทั้งเจ้าคุณ วัดสัพพทุมเจ้าคุณมหาทาวรที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ใหญ่วัดโพ น, นำมาถวายเป็นเงินทั้งหมดที่ประกาศเมื่อวานนีมูล22ล้าน6แสนกว่าแต่ไม่ถึง7แสนนะแต่หลวงพ่อจำไม่ได้แต่6แสนกว่าแล้วก็ทราบว่าทางธนาคาร กรุงเทพฯมาถวายอีกอันนี้ก็คือถวายจะตุปัจจัยเพื่อสร้างอาคารห้องไอซตึกโรงพยาบาลขาวนี้คิดว่ า, าน่าจะเสร็จได้วันนั้นท่านทำพิธีใหญ่เมื่อวานใครเข้าแต่งชุดขาวรับประธานรับเงินจากในหลวง จผูนะ้ว่าราชการจังหวัดก็นำเช็คทําเป็นแผนเช็คใหญ่เขียนเป็นเช็คยี่สล้าน6กแสนกว่านะเข้าไปถวายองค์หลวงปู่วัดโพที่ท่านเป็นประธานในการสร้างอาคารตึกห้อง i อ u หลังนี้ท่านก็รับเมื่อวานก็ได้ลงพ่อไปในนามคณะสงฆ์ก็ได้สวดชัยมงคลคาถา สยันโตโพธิยามูเลพระทั้งหมดเก้ารูปเป็นพระเถระที่มาจากในถิ่นอุดรของเราเนี่ยจากนั้นก็ให้ศีลให้พรจากนั้นก็ได้กลับมานีน่แหละสรุปแล้วก็คือในหลวงทางว่าเราไม่พูดให้ฟัง ถ้าหลวงพ่อไปเห็นแล้วก็เงียบไปพวกเราคงจะไม่รู้รู้แต่เฉพาะชาวอุดรในหลวงท่านทำคุณประโยชน์ให้กับลูกหลานประเทศชาติตรงไหนที่ขาดเหลือขาดตกบกพร่องท่านก็พระราชทธธานเงินเข้ามาช่วยหนุนจากคนเข้ามาถวายท่านถวายท่านตามพระราัอัธยาศัยบริษัททางร้านต่างๆ ในเมื่อพระ อ, องค์ได้เงินมาแล้วพระ อ, องค์ก็มองเห็นประสบนิกรกลุ่มไหนที่จะเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างฝนเทียมอย่างนี้หรือว่ามีอะไรตกทุกข์ใดยากน้ำท่วมหนาวในหลวงก็ต้องเป็นกพระราชทานมาอย่างหลวงตาของเราก็เหมือนกันหลวงตามหาบวัวที่วัดป่าบ้านตาด ถ้าหากว่าพวกเราไม่ถวายจตุปัจจัยท่านท่านจะได้นําจตุปัจจัยถวายมอบให้โรงพยาบาลสร้างโรงพยาบาลสร้างโรงเรียนและเอาเงินเข้าคลังหลวงได้อย่างไรก็ต้องอาศัยแต่ทําทก็ไม่ได้อาศัยแต่คล้ายๆว่าสุดแท้แต่ลูกหลานมองเห็นลูกศิษย์ลูกหาลูกหลานทั้งหลายมองเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ถ้าหากวาดถวาย ใ ห, ให้องค์ท่านเพราะถ้าเราจะไปทําพระคนเดียวก็ไม่พอแต่ละคนไม่พอแต่เอา้าเราก็คนนึงคนนั้นกับคนนึงแต่เอาไปยัดเข้าไปในกระปุกหรือว่าในคลังเราก็มั่นใจว่าคลังผู้ที่รักษาจิตุปัจจัยของพวกเราเนี่ยจะเกิดประโยชน์เราก็มอบเพราะนั้นเมื่อท่านได้จิตุปัจจัยแล้วเอท่านก็มองว่าจุดไหนที่ ประเทศชาติที่ยังขาดเหลือขาดตกบกพ่องอยู่ที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกลุ่มไหนถ้าเป็นในหลวงท่านก็มองกวาดสายตายาวทั่วประเทศเพื่อเผยยังมองออกไปข้างนอกอีกคือเปิดเป็นมิตรสัมพันธ์สำหรับประเทศไหนที่ตกทุกข์ได้ยากท่า น, นก็ส่งไปช่วยเหลือจะเป็นข้าวหรือจะเป็นอาหารหรือจะเป็นอะไรส่งให้กับประเทศนั้นนั้นที่เขาประสบอุบัติ ติเหตเุมองไปอีกเมืองนอกอีกเพราะทีเขาทีเราถ้าเราเกิดขึ้นเขาจะได้มองเห็นเราในเมื่อเขามีปัญหาเราก็มองเห็นเขามันต้องช่วยกันโลกนี้จะ ก, การจะอยู่ตามลําพังมันเป็นไปได้ยากมันต้องอาศัยซึ่งกันและกันนี่แหละอันนี้คือผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ท่านต้องมองลักษณะอย่างนั้นแต่เที่มาถึงหลวงตาของเราไปเช่นเดียวกัน เมื่อท่านได้จตุปัจจัยแล้วท่านก็มองท่านจะไปช่วยที่ไหนโรงพยาบาลโรงเรียนหรือว่าจะฐานสงเคราะห์ต่างๆกระทั่งหมาพิการท่านก็สร้างให้อาคารให้หมาพิการเลี้ยงดูหมาให้เดือนละให้โรงพยาบาลเดือนละอย่างท่านมาโรงพยาบาลนายูงอย่างนี้ท่านก็ให้ในเดือนละ2 0,000 ไม่ใช่เดือนละ2 0,000 ม, มาครั้งละ2 0,000 ื่น พ่อใหายท่านจึงให้ท่านก็ให้เหตุผลหลวงตาให้เหตุผลเหมือนท่านบอกกระหลกพ่อเองบอกืกเราไปเห็นแต่ก่อนเราก็ไม่ได้คิดในจุดนี้เหมือนกันเรามีตะขนอาหารไปให้ข้าวสารอาหารแห้งพวกผ้าพวกอะไรให้โรงพยาบาลแล้วก็พวกอาหารสําหรับเลี้ยงคู้คนแต่ก่อนที่เราจะให้เราก็ได้ไปโรงพยาบาลเขาก็มาขอขอเงิน ทำไมบอกว่โรงพยาบาลเป็นหนี้สินเท่าไหร่ประมาณห้าหกหมื่น 5, 6, เป็นหนี้สินเพราะอะไรเพราะว่าคนป่วยที่ไม่มีเงินแล้วก็พ่อแม่พี่น้องก็เหมารถมามาสองสามคนมาส่งไว้โรงพยาบาลเสียดั้นรถก็กลับพอรถกลับทีนี้บางทีแม่ก็ดีสามีก็ดีลูกก็ดี อยู่ที่โรงพยาบาลก็ไม่มีเงินที่จะซื้ออาหารกินเลยมีแต่ว่าคนป่วยผลราะในสุดทางโรงพยาบาลถ้าเขาจะกลับไปเอาอาหารบ้านของเขามันก็ไกลรถจั ก, กรยานก็ไม่มีมอเตอร์ไซค์ก็ไม่มีถ้าจะเดินกลับไปก็ไม่ได้เงินจะซื้อกินก็ไม่มีนี่เป็นภาระสําหรับโรงพยาบาลโรงพยาบาลก็ต้องทําอาหารเลี้ยงสองมือ้อเช้าข้าวตม้ม ตอนเที่ยงก็เป็นอาหารหนักบางทีกต่ตอนเย็นก็มีอาหารเสริมบ้างแต่นี้การที่ทําอาหารมันก็ต้องใช้เงินใช้เงินโรงพยาบาลที่จะเลี้ยงคนมันจะเลี้ยงคนเดียวก็ไม่ได้เมื่อกี้คนที่มาพักค้างทั้งเพาอ่อนทั้งโรงพยาบาลก็ต้องดูจากนั้นก็ได้ใช้เงินก้อนนี้เพราะนี่มันเป็นเงินพอกหางหมูถึงจะไม่มากแต่มันหลายวัน หลายเดือนเข้ามามันก็มอกมากขึ้นหลวงตาครับเดี๋ยวนี้เป็นหนี้อยู่ประมาณหกหมื่นกว่าบาทหลวงตาได้ยินโอ้มันมีปัญหาอย่างนี้ขึ้นมาอีกนะคือเอาหกหมืนแล้วเราจะให้เท่าไหร่บอกมาท่านก็ให้จากนั้นมาท่านไปโรงพยาบาลในชนน้บดในอำเภอต่างๆท่านจะให้ครั้งละสองหมื่นเลยจะไหนให้สองหมืนเลย แล้วกิดทั้งเอาหง์อาหารอะไรด้วยในมอบไปรวมพยาบาลนะาเนอะจอมีความจําเป็นพอเรามองไม่เห็นนี่แหละพอเราได้ยินเราของหลวงตาเนี่ยท่านมองดูประเทศชาติมองดูลูกหลานท่านไม่ได้มองบุคคลใดบุคคลหนึ่งกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งท่านมองเป็นภาพรวมพวกเราที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาก็ น, น่าจะเอาตัวปัจปจัยไปถาวายท่านนี่แหละ ที่หลวงพ่อได้นำจตุปัจจัยถวายทางวันเราไปฟังม้วนเทพย้อนหลังที่หลวงพ่อพูดตอนเช้าเออวันนี้วัดป่านาคำน้อยของเราถวายองหลวงตาเนอะส0 0แสนบังสี่แสนบังห 0,000 นบังเพื่อให้หลวงตานยนำไปใช้กับผีน้องประชาชนเอาเถอะเราจะไปทำเองเราก็ทำไม่ได้ หลวงตาท่างกว้างขวางเราเชื่อในบุญบารมีแล้วความสามารถของหลวงตาความสุดจริตของหลวงตาถ้าไม่เชื่อหลวงตาในความสุดจริตแล้วจะเชื่อใครนี่แหละเราก็ถวายท่านไปนี่แหละหลวงพ่อก็คิดว่าที่ผ่านพานมาหลวงพ่อก็คิดว่าหลวงพ่อคิดถูกนะหลวงพ่อคิดถูกได้ถวายองค์หลวงตาอมาถึงเตียนี้หลวงพ่อก็ยังว่าอืถูกต้อง ที่ได้ทําไปกระองค์ลงตาเพราะจะได้ช่วยเหลือชุมชนพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าก็อย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นจากนั้นก็ท่านก็ได้ช่วยประเทศชาติอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นนี่แหละสรุปแล้วก็คือเป็นผู้ใหญ่เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างในหลวงหรือเป็นพ่อของประเทศท่านก็จะต้องมองมองดู คนลูกหลานของท่านแต่บัดนี้ในหลวงของเราอายุแปดสิบกว่าแปดสิบกว่าจะให้สมองคล่องแคล่วเหมือนกับสมัยเป็นหนุ่มก็คงจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้เหมือนกับปู่ย่าตาทวดของเรานั่นแหละปู่ย่าตาทวดของเราสมัยก่อนท่านก็มองลูกมองหลานช่วยนั่นช่วยนี่ลูกหลานเขาไปก็ใครจะทำกิจการงานอะไร อพ่อแม่ปู่ย่าตายายท่านก็ช่วยเหลือแต่นี้ท่านเป็นโวษแล้วแต่นอายุมากแล้วแต่บางทีท่านก็ไม่กล้าตัดสินใจเหมือนกันเพราะมันจะผิดกลัวมันจะถู ก, ถกเพราะอายุมากแล้วมอบให้ลูกให้หลานให้พวกคณะกรรมการที่อยู่ใกล้ท่านเรานะ่ะ ช, ช่วยกันดูแลเนอะอย่างนี้เป็นต้นแต่นี่พวกเราอยู่ห่างไกลกะว่าในหลวงทําไมไม่เป็นเหมือนตะก่อนทําไมไม่ช่วย เหลือประเทศชาติแต่ก่อนเราลืมคิดไปว่าในหลวงอายุของพระ อ, องค์ท่านมากแล้วเพราะฉะนั้นพวกเราควรจะเชิดชูบูชาว่านี่คือท่านผู้มีพระคุณต่อประเทศชาติต่อพวกเราท่านทั้งหลายสิ่งเหล่านี้พวกเราท่านทั้งหลายควรจะสํานึกไปในใจไว้อยู่เสมออันนี้คือพระคุณที่เหมือนกับพ่อแม่ของเราสมัยท่านเป็นหนุ่มท่านคน กลางค่ํากลางคืนกลางวันฝนตกแดดออกท่านก็าหาเงินเพื่อเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานของท่านจึงไหนที่จะเกิดประโยชน์ต่อครอบครัวของท่านท่านช่วยกันหาจนสร้างฐานะขึ้นมาแล้วพวกเราได้รับเงินจากมรดกหรือว่าผลงานของพ่อแม่จนลืมตาอ้าปากได้ไม่แพ้ใครเราก็น่าจะภาคภูมิใจเออ พ่อแม่หามาให้ขนาดนั้น เ, เพียงพอแล้วละ่ะแต่บัดนี้เป็นต้นไปเป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องกระโดดไปในทิศทั้งสี่สิ่งไหนที่จะเกิดประโยชน์สิ่งไหนจะเป็นผลกําไรสิ่งไหนที่มันจะดีที่สุดเราจะทําสิ่งนั้นนี่แหละ เ, เราจะไม่ควรจะไปตําหนิไปด่าพ่อแม่ของเราทํำไมไมีเลี้ยงดูเราตลอดไปเพราะเราทำรักทำให้เราเกิดขึ้นมาแล้วแล้วทําไม ปล่อยให้เราทุกข์ยากลําบากอันนั้นเพราะว่าลูกประเภทนั้นเป็นว่าลูกโง่ลูกโง่คนที่โง่แล้วจะลาลึกถึงพระคุณคนเนี่ยลำลึกยากคุกลูกที่โง่เหมือนกันจะลำลึกถึงบุญคุณของพ่อแม่เนี่ยคิดไม่ได้เพราะเหตุไรเพราะลูกโง่ถ้าลูกที่ฉลาดแล้วก็จะต้องลาลึกถึงพระคุณของพ่อแม่ได้เลี้ยงดูเรามา ใหญ่ถึงขนาดนี้แล้วเป็นหน้าที่ของเราเราจะต้องแ ส, สวงหาขาสองแขนสองสมองหนึ่งท่านมอบให้กับเราแล้วเป็นหน้าที่ของพวกเราเราเองจะต้องสู้ทุกลูบแบบคนหมัน่นความหมัน่นและคนมีปัญญาย่อมหาทรัพย์ได้เราโง่หรือเปล่าเนี่ว่าหรือเราอวดดีหรือเปล่าเราจึงหาเงินไม่ได้อย่างนี้ หรือเราขี้เกียจหรือเปล่าอันนี้ให้มาถามตนเองให้ถามตนเองอย่างลุงพ่อคุปพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งโยมพ่อโยมแม่ทั้งพ่อแม่ครูบาอาจารย์ฝ่ายพระสงค์ได้กล่อมเกล้าเลี้ยงดูเรามาถึงขนาดนี้แล้วเราเป็นผู้ใหญ่แล้วอันไหนที่จะเกิดประโยชน์เราจะไม่พึ่งพาอาศัยพ่อแม่อีกแล้วในทรัพย์สมบัติเราจะก้าวกระโดดออกไปข้างนอกเลย สิ่งไหนที่จะเกิดประโยชน์สิ่งไหนที่จะเป็นสิ่งที่ดีเราจะต้องทำสิ่งนั้นนี่แหละอันนี้ก็คือหน้าที่ของบททิดาทุกคนหน้าที่ของประชากรของประเทศประชากรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพวกเราประสบนนก่อนควรจะคิดอย่างนั้นสิ่งไหนที่จะเกิดประโยชน์ ควรทำแต่สิ่งไหนที่ไม่กูดเกิดประโยชน์อย่าทำอย่าคิดอย่าพูดอย่าทำสิ่งที่มันหายนะขายยาบ้ายามมาคันชายาฟินเฮโรอีนกินเหล้าเมายาเป็นนักเลงหัวไม้โคดโกงเป็นคนไม่ดีต่อประเทศชาติอันนั้นต้องคิดไว้อยู่เสมอไม่ทำถ้าเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณธรรมมีศีลธรรมมีจริยธรรมแล้วต้องคิดไว้อยู่เสมอจะไม่ทา สิ่งที่ไม่ดีเราจะทําสิ่งที่ดีคิดดีทดําดีพูดดีเพื่อตัวของเราเองเพื่อประเทศชาติเพื่อชุมชนของพวกเรานะเพราะนั้นขอให้พวกเราคิดอย่างนี้เอาไว้นะอย่างที่หลวงพ่อเขาเหมือนกันนะหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อคิดไปอยู่นะคิดถึงอดีตที่ผ่านมาถึงปัจจุบันแล้วคิดถึงอนาคตอีกเหมือนกันเออถ้าว่าต่อไปภายภาคหน้านี่เราไม่คิดว่าเราจะหนุ่มไปข้างหน้านะ หลวงพ่ออินนะหลวงปู่อินนะอาจารย์อินนะหลวงตาอินนะพระอินนะเราไม่คิดว่าเราจะหนุ่มไปข้างหน้าเราจะแก่ไปข้างหน้านะแต่เมื่อเราแก่ไปข้างหน้านี่เราจะทำยังไงจะต้องปั้มปัเปิดเปจะต้องคิดอะไรมันก็ต้องช้าต้องคิดอะไรมันจะทำการอะไรมันก็ต้องได้พึ่งพาอาศัยพาะลูกพระหลานพระน้องพระนุ่มทั้งหลาย จะต้องได้พึ่งเขาเพราะเหตุไรเพราะว่าร่างกายก็อ่อนแอในความคิดก็ต้องเชิงช้าในการกระทำทุกอย่างมันก็จะต้องไปตามผลของความแก่แก่คํานี้นะแกะท่ทางกายแกท่ท้งวาจามันแก่ทั้งใจล้าทั้งใจอีกต่างหากในความคิดมันก็ต้องใช้สมอง ถึงจะมีสติปัญญาขนาดไหนก็เถอะแต่สมองมันล้าเมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์มันเก่าเครื่องคอมพิวเตอร์มันล้าสมัยแต่สมัยก่อนมันก็กดตึกตึ๊กมันก็คิดได้เร็วใช่แต่ทุกวันนี้กดตึกขึ้นมาเลยนั่งโจิ๋วคอยอยูจอก่อนมันจะคิดขึ้นมาได้ฮอคอมพิวเตอร์รุ่นเก่านั่นแหละลักษณะอย่างนั้นอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันอสมองของเราไม่คิดว่ามันจะสดใสไปข้างหน้านะ แต่ในะสิ่งเหล่านี้หลวงพ่อเองก็จะคิดไปอยู่เสมออมต่อไปเนี่ ย, เ, ยเราก็ควรจะเรียกผู้ที่อยู่ใกล้ชิดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาอีกเหมือนกันนะถ้าเมือม่อหลวงพ่อแก่ไปกว่านี้นะให้พวกท่านทั้งหลายจัดการนะให้ใช้ความคิดเลยนะไม่ต้องฟังคําหลวงพ่อคนเดียวนะให้พวกท่านทั้งหลายให้ช่วยกันให้คิดกันในคิดให้เป็นธรรมคิดให้เป็นธรรม แล้วก็ทำให้เป็นธรรมพูดให้เป็นธรรมให้ฟังกันให้มีความพร้อมเพียงสมัครีกันใ ห, ให้รักกันเอาไว้ถ้าใครเขาตามถ้ามีเก้เอ็ดแกงแย่งชอบทะเลาะหมูพวกเพื่อนเอารัดเอาเปรียบหมูให้จัดการเลยให้ อ, ออกลุงพ่อจะพูดอย่างนั้นลุงพ่อก็าจะคิดอีกเหมือนกันนะเพราะลุงพ่อเน่ยจะแก่ไปข้างหน้าไม่คิดว่าจะหนุ่มการที่จะแก่ไปข้างหน้ามันก็ต้องได้คิด พึ่งพาอาศัยพ า, พาลูกพ่าหลานพาลูกพาหนุ่ทั้งหลายเป็นหูเป็นตาแทนทุกอย่างต่อไปก็จะปล่อยมือวางมือไปเรื่อยๆแต่ถึงยังไงแต่ถึงจุดนั้นเคยเห็นหลวงปู่หลวงตามาพูดที่อยู่ใกล้ชิดนั่นไม่เป็นธรรมพูดง่ายๆพูดตรงๆเลยไม่เป็นธรรมเอาเข้าข้างตัวเองก็เข้าไปนั่นหลวงปู่ครับ เป็นอย่างนี้ไปซับสอยุยงพระพุทธเจ้ า, าจะทำยังไงเพราะไม่มองเห็นใครอื่นก็เห็นแต่องค์ยุนองเนี้ยองเนี้ยกันเนี่ยมองไปทางกิเลสทางความโลภความอยากจะได้ทรัพย์อยากจะได้คนกยกจ่องสรรเสริญเชิดชูบูชาตัวเองผลในส่วนลงปูก็ทำอะไรเออเออเอ อ, เออเข้าไปนะี พอไดก็เลยหลงปู่ครับองคนั้นไม่ดีนะองค์นี้ไม่ดีนะอาจากนั้นก็ด่าององอื่นเลยนี่แหละดูดูแล้วพวกอยู่ใกล้เป็นพิษเป็นภยัยต่อพี่น้องประชาชนลูกหลานสิ่งเหล่านี้หลวงพ่อเองหลวงพ่อไม่ใช่หลงพ่อไม่รู้นะหลวงพ่อรู้เอหลวงพ่อเคิดเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่า ok นี้เราจะทํำยังไงในสรุปแล้วก็คือมิตรสอนให้ลูกศิษย์ลูกหานะ ให้ปฏิบัติธรรมให้รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมถ้าคนมีธรรมในใจไม่มีกิเลสในใจแล้วนะ่ะอยู่ที่ไหนเป็นธรรมหมดคิดออกมาก็เป็นธรรมจะทาออกมาก็เป็นธรรมจะพูดออกมาก็เป็นธรรมเพราะใจเป็นธรรมถ้าใจเป็นกิเลสแล้วนะ่ะน่าห่วงมากๆเหมือนกันนะสิ่งเหล่านี้ฝากไว้กับพวกเราทุกๆคนที่ได้ยินในวันนี้ได้ยินได้ยินครั้งต่อไป คนนั้นหลวงพ่อไม่คิดว่าจะหนุ่มไปข้างหน้าแกไปข้างหน้าปีนี้นะจะปาเข้าเ0็ดสิบเลยถ้าว่าขั้นเ0็ดสิบล้วเนี่ยบางคนก็มองหาหีบผ้าโลงแล้วนะงกงาก ง, กงากงงาแล้ว เ, เพราะเหลุไเพราะอายุถึงขนาดนี้แล้วเมื่อวานนี้นนี่าได้ยินข่าวว่าอาจารย์พจนอายุเจ็ดสิบปีแกโค้หลวงพ่อแต่พัรษาอ่อนกว่าปีที่สองปี น, นนะ เท่ากันกับหลวงพ่อคูณสุเมโทก็มรณภาพที่จังหวัดเลยก็เป็นไปมาหาสู่รุ่นเดียวกันกับหลวงพ่อเหมือนกันใกล้ๆกล้กลันพวกนั้นลุ่นนี้กําลังโร่งโรยไปแล้วนะถ้าเขาเป็นกีบดอกไม้ก็รู้สึกว่ากําลังกีบกำลังโร่งโรยลงไปเรื่อยๆละ่ะเพราะเหตุไรเพราะอายุสังขารก็รู้อยู่แล้วอาสังขารเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอน อีกสักวันหนึ่งฮะจะต้องไปถึงไปถึงจุดจบของมันเพราะนั้นขอฝากไว้กับพวกเราทุกๆคนนะไม่ใช่จะจะตายแต่พระนะพวกเราชาวบ้านก็ตายเหมือนกันไม่ใช่วจะตายแต่ชาวบ้านนะพระก็ตายเหมือนกันแต่ถึงยังไงพวกเราท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทสรุปแล้วสิ่งไหนที่เป็นคุณงามความดีควรจะทําควรจะสังสมสิ่งนั้นให้มากเพราะว่านอกจากคุณงามความดีนอกจากบุญกุศลเท่านั้นแหะ ที่จะเป็นเครื่องเกื้อกูลหนุนที่จะนำพวกเราไปสู่ความสุขทางด้านจิตใจข้ามภพข้ามชาตินะทําทความชั่วแล้วก่อนที่ใจจะขาดและลึกถึงความชั่วนะั้นนะมีแต่หนทางแห่งความจิบหายมีแต่หนทางความทุกข์นะจะเข้ามามาช่วยช่วงนั้นความทุกข์ปไงอพอหลับตาไปก็เห็นฟืนเห็นไฟเห็น นายในระ บ, บาลถือหอกถือหลาบมาจะมาแทงมาฆ่าเรานะเน่ยพราะเธลึกถึงความชั่วนะใช่ไหมถ้าเราเลือกถึงคุณงามความดีและวลึกถึงศีลถึงทานถึงภาวนาที่ได้สั่งสมบุญกุศลเอาไว้จิตใจก็จะจะเห็นแต่เทวเทวดาอินพรหมมีแต่เห็นแต่พวกสิ่งที่จะมาต้อนรับขับสู่ยับยกย้ายไปต่างประเทศยกย้ายข้ามภพข้ามชาติไปไปลดค่า รถข้าเนี่ยไปสู่สวรรค์ชั้นจาตูมนะเอาจะ ไ, ไปไปแต่ชั้นรถของข้าเนี่ยไปอยุ่นชั้นยามาตุติตาเออเทโอดาเขาจะชักชวนไปเออเราก็เลือกจะขึ้นรถคันไหนก็ขึ้นได้เพราะอะไรบุญกุศลของเราพร้อมนะแต่ถ้าเราไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลระลึกถึงอะไรระลึกถึงแต่ความชั่วจะไปนรกหนุหลุมไหนเท่เนี่ระลึกถึงความชั่วเพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะที่พูดทางนี้ทางนั้นให้ฟังคิด จริงไหมายที่หลวงพ่อพูดนี่นะหลวงพ่อพูดทําไม่ให้เชื่อเลยนะไม่ใช่พูดอะไรให้เชื่อก็เชื่อหมดแนตะ่ไม่ใช่ถ้าเชื่ออย่างนั้นนเหมือนกับเป็นควายเป็นวัวเป็นควายหลวงพอนะ่อหลวงพ่ออินนะจูงไปทได้เลจูงไปได้ทั้งหมดหนะลวงพอ่อมาอยากจะให้พวกเราเป็นวัวเป็นควายหลวงพ่ออินนะให้เป็นนักปราชัยเป็นอัจฉริยะเป็นม้าอาชะนาย เป็นลูกศิษย์ที่ดีมองให้กว้างขวางให้ใช้สติให้ใช้ปัญญาให้ใช้ความรอบครอบทุกอย่างหลวงพ่ออินอยากจะได้อย่างนั้นน ะ, ออนะ ไ, นนนะไม่ใช่อยากจะได้ลูกศิษย์ลูกหาเสืองงโง่โง่จะจูงไปที่ไหนก็ไปตามไม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะอยากจะให้พวกเราทั้งหลายถึงหลวงพ่ออินจะโง่ถึงอย่างนี้กนะ็เถิดอยากจะให้พวกเราเนี่ยเฉียบแหลมปัญญากว้างไายมีคุณธรรมมีศีลธรรมมีจริยธรรมที่ดีในจิตใจ ไม่ใช่ว่าปัญญาดีอย่างเดียวไม่เอานะแต่ต้องมีคู่คุณธรรมด้วยนะคู่คุณธรรมด้วยศีลธรรมด้วยจริยธรรมที่ดีด้วยต้องไปพร้อมกันรับพรนระมมทนาให้พร